เป็นประโอวาทที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระมุกคณนะมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึง่งพระเจ้าเสด็จประทับจูที่สุงสุมาลกิระที่มิคาธายวันสุงสุมาลกิระแขวงพระคัชชนบุตร ในขณะนั้นพระโมกขาลานะซึ่งได้บวชมาครบเจ็ดวันก็ไปนั่งบมเพ็ญเพียรอยู่ที่กัลวามุตคามที่กรุงราชครึกก็นั่งสปงกง่วงอยู่พระเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณก็เสด็จไป ท่านบอกว่าเหมือนคูแขนข้าวที่เหยียดแขนออกก็ไปพบกับพระมุคลานะแล้วทรงประทานโอวาทในดับต่างๆเป็นอันมากจบลงด้วยพระมุคลานะบรรลุมักคลเป็นพระหันหลังจากปวดมาแล้วได้เจ็ดวัน พระโมคลลานะนั้นเป็นพระมหาเถระที่รู้จักคุ้นเคยนะฮะชื่อเสียงปมนที่รู้จักคุ้นเคยของชาวพุทธทั้งหลายว่าท่านเป็นอักษรวกที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากคือถ้าเราเทียบเคียงแล้วคนที่เข้าสู่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่ของพระโมคคัลล า, านั้นมีเป็นจำนวนมากท่านมีประวัติความเป็นมาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าคือดูแล้วเนี่ยประชนอายุคงใกล้ๆกันและท่านก็ไม่บอกว่าอายุสักเท่าไหร่ก็เป็นลูกของคนที่มีฐานะเป็นนายบ้านเป็นวัวหน้าหมูบ้านที่มีฐานะร่ำรวย เราก็จบศิลปศาสตร์ตามธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยนั้นตั้งแต่ยังหนุ่มอายุอย่างน้อยก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าเป็นเป็นลูกหัวปีของครอบครัวนะฮะตามคติความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นก็คือเอาใจลูกหัวปีมากเรถือว่าเป็นลูกที่จะปิดประตูนรกให้แก่พ่อแม่ ตามคติความเชื่อในรัตทิพรามว่าใครไม่มีลูกผู้ชายตายแล้วจะต้องตกนรกนลูกผู้ชายจึงชื่อว่าปุตตะหรือบุตรเนี่ยนะฮะคำว่าบุตรที่จึงก็เป็นชื่อของนรกไม่ชื่อขุมนรกขุมหนึ่งแล้วถ้ามีลูกชายเนี่ยลูกชายก็จะทาทักษิณนาอนุปาทาน เราคิกุศลให้แก่พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะพ้นจากนารกเราเชื่ว่าเป็นอิทธิพลความเชื่อที่ ท, ที่ที่มีค่อนข้างสูงในทวีปเอเชียแม้ในปัจจุบันไม่ว่าเราไปดูที่จีนที่อินเดียนะฮะแม้แต่ไทยเองก็จะลักษณะนี้ก็ฝังลึกอยู่ภายในใจคนมากกว่าหลายพันปี วันดนโมาลานะหรือเรียกสมัยนั้นว่าโกลิตะก็เที่ยวหาความสุขสบายโดยการรูมารสพยดังที่เคยเล่าไว้ในประวัติของภาษาริบุตรพออยานบารมีมันแก่กล้าขึ้นมันก็มองเห็นสิ่งที่ตัวเคยดูนั่นเองเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย แล้วในสุดตัวทั้งผู้ดูผู้แสดงก็จะต้องแตกดับไปคือตายไปก็ทำให้สลดสังเวชในชีวิตคิดจะแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างแท้จริงของชีวิตซึ่งก็ถือว่าเป็นคตินิยมในยุค น, น, นั้นนะนะคนในยุคสมัยนั้นนิยมในการศึกษาค้นคว้าทางรอดของชีวิต บวนเป็ยุคที่ที่เรียกว่าจเจริญโดยวัตถุวัตถุไม่ใช่ธรรมดาเมื่อถ้าเราไปศึกษาในส่วนอื่นแล้วเราจะเห็นว่าเป็นยุคสมัยที่ที่วัตถุจเจริญมากเมื่อเกิดอาการสำลักวัตถุคือเบื่อวัตถุคนที่เนียวบวชจึงเป็นลูกของเศรษฐีลูกกษัตริย์ลูกพราหมณ์คนรวยๆนะที่เหนียวบวชไม่ใช่คนจนคนมีฐานะไม่มีปัญหาทางครอบครัว ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรแต่ว่ามันมีปัญญาแก่กล้ามองเห็นว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตในสุดก็ออกบวชในสำนักสัญชัยปริภาชกระยะสั้นๆศึกษาแตกฉานก็ไม่ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเรตกลงนัดหมายกันกันกบอุปติสะหรือวสาติบุร ก็จะต้องสแสวงหาอาจารย์ใหม่แต่ใครได้บรรลุผลก่อนก็ให้บอกแก่กันต่อมาภาษาริบุตรก็ได้ไปฟังธรรมะจากปราศเสจิที่เรียกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ยริงก็เป็นการแสดงอริยสัจอริยสัจอีกวิธีหนึ่งเราเห็นว่าวิธีแสดงอริยสัจมันมันมันแสดงเยอะเหลือเกินเพราะว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอริยสัจ แตเวลาแสดงโดยสรุปเนี่ยที่นํามายกย่องกันมากประโยคตรงนี้ยกย่องกันมากว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระสาทาโคจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัมณมีปกติตรัสอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสองเหตุสองผลทุกนั้นเป็นผลนิโรธเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุมักเป็นเหตุ เพราะงั้นเป็นคำกล่าวโดยสรุปยังสองบรรทัดก็ถือว่าแสดงพระพุทธศาสนาหมดแล้วก็จบแล้วว่าแค่สองบรรทัดก็จบแล้วอุปติสสะได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มาบอกโมคขลานะก็ได้บรรลุมรรคผลดิหลังจากได้ผ่านเรื่องราวต่างๆที่เล่าไว้ในเรื่องพระไตรบุรก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟังเทศตอนนั้นเทศที่ที่พระเจ้าเทศเนี่ยเป็นการแสดงถึงหลักการดำเนินชีวิตที่จริงมันปรารบตัวสันชัยตัวสันชัยปริพาชกคือสันชัยปริพาชกที่จริงเคยยอมรับพระพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เด็กกว่าท่านนะ่นนะะท่านท่านแก่กว่า มัสยบุโมกกาลนาชวนมาความลพุทเเจ้ากันท่าน ก, ก็ไม่มาโดยเหตุผลส่วนตัวที่เรียกว่ามันใหญ่จนเป็นลูกศิลุกศิไม่ได้นะเดียวเป็นจระเข้รับวังท่านบอกว่าคนขนาดท่านเป็นลูกศิลุวงคนอื่นมันเหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ในตุม่ม มันก็ขยับขยื่อนไม่ได้มันสูญเสียอิสระเพราะฉมานะเนี่ยฮะตัวมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวมันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางจะมาดูตัวกิเลสตัวนี้นะฮะที่ที่ขัดขวางพระช น, นะซึ่งเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งสี่สิบกว่าปีนะฮะขวางอยู่ตัวเดียวมานะนั่นเองมานะว่าเราเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคนอื่นไม่มีความสำคัญอะไรเลย แต่ก็ต่านติดอยู่ตัวเดียวแต่ก็ยุ่งอยู่ตั้ง40กว่าปีกว่ า, า จ, จะบรรลุผลเป็นพระาราหันได้อยู่ตั้ง81 82นลพราะฉะนันกิเลสตัวนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพระสารีบุตรพระโมคธาลานะมาเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังคำพูดของของท่านสนใจให้ฟังนะปะพุเจ้ารับสั่งว่า บุคคลที่มีความเห็นผิดจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแต่กลับมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระก็จะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระตลอดชีวิตแสดงเห็นว่าชีวิตมันอยู่ที่การมองของเราเองปัจจุบันเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์เจตคติทัศนคติอะไร เ, เรียกเยอะอยู่ที่การมองของเรา เรามองสิ่งเหล่านั้นอย่างไงมองโลกอย่างไงมองชีวิตอย่างไงถ้ายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่ายัางยังดำริผิดคือคิดผิดนะเพราะความคิดความเห็นมันมันมันมันสันสมพันธ์กันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะท่านเห็นว่าสัมพันธ์กันในทํางานคนละจังหวะเห็นยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไงก็เห็นอย่างนั้นอพอๆคิดผิดมันก็เห็นผิด ถึงมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระกลายเป็นเรื่องสาระประการที่เป็นขนาจารยเจ้าระที่หรือค้ายบรรยายอะไรเกินจริงมันเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันก็แตกดับไปอีกด้านหนึ่งของความเป็นก็คือความไม่เป็นนะแต่ถ้าไปยึดถือในความเป็นซึ่งมันเป็นอาการของตัณหาแล้วก็แสดงว่าคนที่ มีความ ด, ดําริชอบนั้นจะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็บอกม่เป็นสาระและจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะว่ามีความ ด, ดําริชอบเป็นหลักตรงวิถีชีวิตของเราผมก็มีสองวิถีชีวิตว่าคิดผิดและคิดชอบมันอยู่ที่เราคิดยังไงนะมันไม่อยู่ที่ใครหรือไม่อยู่ที่อะไรเดยทั้งสิ จากพระพุทธดำรัสที่สันส้นๆเจอสรุปละสี่บรรทัดนะนะลูกศิษย์ที่ตามพระโมกขาลานาระษาดิบุตรมาบรรลุมครผลเป็นพระหันหมดลูกพี่สององค์ไม่ไปไหนเลยนะยังเป็นพระโสดาบันอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าท่านท่านตื่นเต้นมาก เป็นลักษณะของจิตที่ถ้าปีตินะฮะเราจะจะเห็นว่าองค์ธรรมที่เราเคยพบเนี่ยปีติปัสสธิสมาธินะครับว่าถ้าปีติมากแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องเลยใจจะต้องสงบลงมาเป็นปัสสธิจึงจะเข้าสู่สมาธิพอพอจากสมาธิในปัญญามจะเกิดปีติจะกลายเป็นทางผ่านใจบรรฟูใจบรรฟูแล้วมันฟู ม, นฟ ม, นฟมันไม่สงบนะฮะใจฟูไม่สงบ แต่ว่ามันเป็นเป็นทางที่จิตจะผ่านเข้าสู่ความสงบเพราะงะั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจึงมีปิติอยู่เรื่อยนะมีปิติอยู่เรื่อยจนถึงนิพพานเองก็มีปิติแต่ปิติตัวนั้นเป็นธรรมปิติไม่มีปัญหาแล้วเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าถ้าท่านหลายเคย เคยคิดไหมฮะที่ที่จะบอกบอกว่าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์แง่ของสังคมเนี่ยว่าตอนพระพุทธเจ้าสัตรูนั้นเพลิเดือนหกเนะมาเทศประถ ม, มเทศนาเพ็ินเดือนสมก็สแสดงว่าหลังจากสัตว์รูหกสิวันแต่ที่พระเจ้าสัตรูนั้นอยู่อินเดียที่ค่อนมาทางใต้นะที่พุทธกยาคือถ้าเดินทางมันก็200กว่ากิโล ประทัะบเสวยมีมุติสุขอยู่แถบตรงนั้นแหละมันสี่สิบเกวันยังเหลือสิบเอดวันสิเวันนยต้องเดินทางมาจากพุทธคยามาเทศที่เมืองพราราณสีนั่นเคยตั้งปัญหาพระเจ้ามาอย่างไงไม่น่าจะมาทันเพราะว่าท้าที่มันไกลอะไรเกิน แล้วก็มีการอธิบายกันเยอะนะฮะอธิบายกันเยอะว่าผู้เจ้ารู้ทางลัดสามารถจะเดินทางลัดได้เพราะต้องต้องเดินวันนึงนึกดูอะไรกันนะสองร้อยกว่ากิโลเดินสิบเอ็ดวันแต่ถ้าเรามองดูตรงนี้ว่าผู้เจ้าเทศสอนสองท่านแล้วน ะ, ะสองท่านแล้วไปสเสด็จถึงเมืองพักฆะนะฮะไปอีกเมืองหนึ่งนะไปอยู่ที่เมืองพักฆะ ที่มิคาธายวันเป็นป่าให้อภัยแกเนื้อเหมือนกันใกล้สูงสุมารลคีระเป็นเป็นบริเวณวังบนที่จระ เ, เข้กนะ็อยู่ไกลนะยันึกว่าเอ๊ะทำนองทำไมเสด็จไปไกลจังแล้วพอเกิดไปรู้ว่าพระโมคคัลลานะนี่ไปนั่งสัพพงก์อยู่ที่กรุงราชาครืดนะสัพพงกอยู่ที่กรุงราชาครืดพระพุทธเจ้าอยู่อีกเมืองหนึ่งนะยังรู้ลูกศิษย์นั่งสัพพงก์อยู่นั่น ก็เสด็จมาโปรดอย่างที่เคยเล่าตอนพิษุนีท่านทั้งหลายฟังนะว่าในลักษณะนี้มาบ่อยพิษุนีอยู่ที่ไหนไม่รู้พระเจ้าปรากฏเฉพาะพระพักเฉพาะหน้าแนละกาลังจเจริญในปรัชนามันจะเห็นนํารูปเกิดดับตาปกติมันจะเกิดกลัวระดับญาณเองนี่ก็กลัวนะระดับญาณนี้ก็เขาเรียกว่าพยาตุปทานญาณมันจะเกิดความกลัวเพราะร่างกายมันจะกลัดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบ ก็เห็นเห็นเห็นคล้ายๆ ก, กับบ้านกำลังจะพังนะนะแล้วปกติจะกลัวกลัวเนี่ยถ้าตั้งไม่ดีมั น, ม, น, ม, นมันก็ไปหายไปเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะปรากฏปรากฏเฉพาะพระภักดีปรากฏเป็นลำแสงมาปรากฏเป็นลำแสงก่อนพิสุนีพ อ, พ อ, พอเห็นแสงก็จะลืมตาขึ้ น, นพระพุทธเจ้าก็จะเทศเทศได้ฟัง ทำจิตองนันองนนเสร็จแล้วก็จะหายไปนั่นก็แสดงว่ามาโดยมโนมยิทธิมาโดยอิทธิแต่เราจะพบการติดต่อลักษณะนี้บ่อยข้ามเมืองไปเลยนะข้ามเมืองไปเตามปัญหาข้ามเมืองติดต่อข้ามเมืองนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าพิทยุมือถอือโทรศัพท์มือถือติดต่อได้ตลอดลักษณะอย่างเงี้ยติดต่อได้ตลอด เพนมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามามาเหมือนคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกอันนี้มาในอิทธิฤทธิ์มาโดยเคร่องอิทธิทวิชิตวิชาจะมีฤทธิส์สองแนวฤทธิ์จะใช้สองแนวนะฮะหลายแนวแหละแต่ว่าที่ปรากฏบ่อยๆเนี่ยปรากฏบ่อยๆจะใช้เป็นมโนมัญชิตเป็นกายที่ไม่ใช่กายจริงแต่นี่มาโดยกายจริงมาโดยกายจริงมานั่งสอนธรมะม า, ม า, มานั่งมานั่งสอนเลยแต่ที่ไปสอนวิสุนีสอนระยะสั้นๆ ตัวยาสั้นๆแล้วประทับลอยอยู่บนอากาศไ ม, ไม่ไม่ไม่จะมาอยู่ที่พื้นดินลอยอยู่บนอากาศเป็นแสงพุ่งออกมาแล้วก็สอนจบก็หายไรแบบเทวดาปรากฏอันนี้ น, นี้จะเรียกว่ามาด้ยกายทิแต่นนี้จะมาด้วยด้วยด้ว ย, วยอิชิวิธิคือมาด้วยกายเนื้อแต่มาเร็วนะฮะมาเร็วแบบเทวดามาจักเมือหนึ่งถึงไกลมากอย่างนี้เอตามาหลวงจ่อไปไกลจัง กเทศเมื่อเจ็ดวันก่อนกเทศสอนที่ที่พระเวรุวันนะนะที่สอนเวเอ๊ะทำไมไปอยู่ไกลจังก็มาถึงก็รับสั่งถามเป็นไงเป็นไงนั่งสงกอยู่พระโมกคัลานะบอกองง่วงคือท่านท่านรีบมากเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยบรรลุผลเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วตัวเองยังไปไม่ถึงนะก็เดินจงกรมทั้งเจ็ดวันนะ ไม่ได้นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทาไปตอมา่างกายเอามาอยู่่างกายเอามาอยู่ก็เกิดสรระงก์พอนั่งกับสระงก์พระเจ้าก็ไปแนะวิธีแก้ง่วงเรื่องสมาธิกับง่วงนี่มันก็น่าดูนะะแก้ง่วงให้หลายวิธีด้วยกันประมาณสักแปดวิธีวิธีแรกก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ย คิดถึงเรื่องอะไรอยู่เช่นว่าคิดถึงลมหายใจเข้าออกหรือคิดถึงอะไรก็ตา ม, มานะฮะอารมณ์กว่มฐานทั้งหลายที่ใช้เจริญเนี่ยก็คิดถึงเรื่องเหล่านั้นให้มากขราบความง่วงก็จะหายไปทีนี้ถ้ายังไม่หายชั้นแรกนี่นคือแพ่งดูอะไรก็แพ่งไงมากขราว แสดงว่าเพ่งดูลมเพ่งดูกระสินเพ่งดูอะไรก็แด้แต่นะครั้งที่สองก็คือคิดนำมาคิดคิดได้มากครับใจง่วงคิดแล้วคิดไปคิดมายังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนเป็นท่องท่องให้มันมันเรียกไดปลูกปลุ ก, ป ล, กปลุกตัวปลุกประสาทนะให้ให้เสียงมันเข้าหูด้วยแล้วก็ปากท่องด้วยใจกำหนดด้วยทําให้ประสาทมัตนตื่นตัวก็ท่อง ตอนแรกถึงจุดนู้นก็ก็ง่วงอีกนนะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นการมองลืมตามองมองทิศตั้งหลายมองมองซ้ายมองขวามองทิศทั้งหลา ย, า ย, ก, าลายก็จะหายง่วงเอาถ้าไม่หายก็ต้องน้าล้างหน้าแล้วไม่ใช่ต้องเอาอะไรยอนหูเอาขนนกอะไรต่ออะไรในสำลีเสมอได้ก็ยอนหูก็จะหายง่วงได้ถ้ายังไม่หาย นอีกก็ต้องเอาน้ําลูกตัวลูกหน้าลูกตัวแล้วก็ลุกขึ้นเดินทุกขึ้นเดินไม่ใช่เดินนะยืนก่อนลุกขนยืนก่อนมองดูทิศตั้งหลายแงนดูดาวก็คิดว่ามันเป็นกลางวันคิดว่ามันเป็นกลางวันอย่าไปคิดว่ามันเป็นกลางคืนเขเรียวกว่าอัโล ก, กสัญญาคือมองให้ทําใจให้เห็นว่าเหมือนเราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างก็จะหายง่วงได้ ถ้ายัางไม่หายตอนนี้ตองเดินจุกรมนะฮะต้องเดิ น, นะ เ, ดนเดินจงกรมจงกลมตามหลักจริงๆนะฮะตามหลักที่ทรงสอนจริงๆก็ไม่ใช่มีรูปแบบอะไรแต่ ม, มีวิธีฝึกขึ้นมาในตอนหลังลนะั่นเองใจนั้นเซึสงบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์อะไรเท้าก็เดินไปหรือว่าตั้งสติแล้วเลิกจู่ที่เท้าก็เดินกลับไปกลับมา เป็นลานจงกลมส่วนมากก็ใช้ใช้ไกลหน่อยนะฮะเป็นการบริหารทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนจิตจิตคืออยู่ก็อิเดียบทคือการเคลื่อนไหวก็จะหายง่วงทีนี้ถ้าไม่หายถ้าไม่หายอีกก็นอนตะแคงขวาก็เรียกสีหาสายาสนะนอนตะแคงแบบพระพุทธรูปตะแค ง, งนะฮะ แต่ว่าจริงๆมันมันไม่ถึงกับเอามือไปเท้าแขนอย่างนั้นน่ะมันก็ ก, ก็ก็มือวางเอาเอาหัววางที่ฝ่ามือมันไม่ใช่ถึงเป็ดเอ่อเอามือเท้าเท้าอย่างนั้นซ้อนเท้าเลือมกันหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนตะแคงขวาเอาเท้าเหลือมกันแล้วก็วางศีรษะบนมือตั้งใจไว้ไว้จะลุกขึ้น ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้ น, น, น, นกำหนดคล้ายๆสะกดจิตนิดหน่อยพอตื่นปั๊บต้องรีบลุกขึ้นหเห็นว่าทำอยู่แปดจังหวะ8ปดจังหวะนี่กว่าจะกว่าจะนอนหลับจริงๆก็ดึกพอสมควร น, น, นะฮะไปริบไปแล้วเป็นวิธีฝึกที่เอาทั้งกลางคืนกลางวันผล เ, ะะเป็นเป็นแนวกรรมฐานที่ ก็ไม่เคยพบที่แสดงวิจิตพิสดารขนาดนี้นะไวพบอยู่ที่กับพระมคขขลานะซึ่งก็มีจุดเด่นที่น่าคิดอย่อย่างหนึ่งว่าพระสูตรคำสอนคล้ายๆกับที่สอนพระสารีบุตรคล้ายๆกันอาจจะวาสนาบารมีระดับเดียวกันหรือพื้นฐานของท่านทั้งสองมีพื้นฐานเดียวกันก็ได้นะคำสอนคล้ายกันประการต่อไปนั้นทรงประธานโอวาท รู้สึกว่าจำจี้จำชายเยอะนะฮะกับสององค์นี้ลูกศิษย์ลูศิษย์พิเศษก็สอนว่าให้ให้ใ ห, ให้อย่าชูงวงอย่าชูงวงคำว่าชูงวงก็เป็นเป็นคำแปลกคือสอนแบบช้างนะช้างชูงวงคือการแสดงความถือตัวมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วเข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย หมายความมาพูดง่ายว่าอย่าให้ความสําคัญแก่ตัวเองเพราะถ้าให้ความสําคัญแก่ตัวเองเวลาไปในที่ใดเขาไม่ต้อนรับตามที่เรารู้สึกว่าเรามีความสําคัญเราจะเกิดโทสะเราจะเกิดโทมนัสก็แล้วแต่นะอาจจะเกิดโทสะก็ได้อาจจะเกิดโทมนัสเกิดกความเสียใจยก็ได้วันก็อย่าชุงงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายนี่ เพราะถ้าหากว่าปฏิบัติเช่นนั้นบางทีคนก็ไม่เห็นนะฮะคนก็ไม่เห็นก็ไม่ทันสังเกตก็ไม่ได้ตอนรับเราจะรู้สึกน้อยใจเสียใจก็ทำตัวเป็นในที่อื่นปรยายอื่นจะทรงสอนในแนวจะเรียกว่าให้อัตตามันเล็กที่สุดอ่ะเคยตัวตัวตนเราเล็กที่สุดจนจ น, จ, นจุดสุดท้ายไม่มีตัวตน เพื่อไม่ต้องไปอะไระไม่ไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการต้อนรับอย่างไงหรือไม่อย่างไงก็ช่างเป็นการประพฤติเบาประพฤติทําให้ตัวเบาไม่เป็นแบกตัวตนเอาไว้นะฮะเพราะถ้าแบกตัวตนเอาไว้มันก็หนักประการต่อไปก็สอนว่าว่าดูก่อนโมฆลานะเราไม่สรรเสริญการพูด ที่มีการถกเถียงกันเพราะว่าการพูดที่ถกเถียงกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความคิดฟุง้งซ่านเพราะเถียงกันจะต้องพูดมากนะฮะเถียงกันจะต้องพูดมากพอพูดมากมันก็คิดมากพอคิด ม, มากมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่สารวมไม่สารวมใจมันจะห่างจากสมาธิเพราะงั้นการคันถกเถียงเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่จะเพิ่มโทสะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะต้องการเอาชนะข่าขาดแล้ต้องการหักล้างซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดเดี๋ยวมันก็เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันมันสามารถจะพูดได้ทังนั้ น, นะมันสามารถจะพูดได้แต่นั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่ตอนพระยามิลินไปโต้กับพระอายุบาล ซึ่งเป็นประเทเระผู้ใหญ่ก่อนที่จะโต้กับพระนัเกเสด็จนะยามิลินถามว่าพระนี่บวช ท, ทาอะไรแล้วก็บวชว่าเพื่อจะทํำนิพพานให้แจ้งความเพื่อปฏิบัติขัดเกลาจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเป้าประสงค์ในการบวชยามิลินก็ถามว่าเป็นชาวบ้านในทํำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ก็ทําได้ ทําได้ต้องบวชทําไมเป็นชาติจรุลแล้วแกบอกไม่ใช่หรอกผมว่าพวกท่านเนี่ยทำบาปในชาติก่อนที่ต้องบวชเนี่ย แ, แสดงว่าชาติก่อนเนี่ยเป็นโจรไปปล้นบ้านชาวบ้านเผาบ้านเผาเรือนชาวบ้านเชเกิดมาชาตินี้ต้องชดใช้กรรมไม่มีบ้านเรือนจะอยู่ต้องอาศัยตามโกนไม้ทํามถ้ำ ต, ต, ต, ตามเขานะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีต้องไปถือบาตขอชาวบ้านก็กินนี่แสดงว่าท่านกำลับบงชดใช้กรรมไปหายไปเลย ไม่รู้จะเถียงยังไงไม่จะเถียงกันทําไมฮะเถียงกันก็ว่าได้ด็ดเแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะนั้นคำพูดเฉียงกันเนี่ยคําพูดต้องเฉียงกันพระพุทธศาสนาไม่ไม่นิยมเถียงที่พระเจ้ารัชสั่งว่าต ถ, ถาคตไม่ทะเลาะกับโลกมีแต่โลกทะเลาะกับต ถ, า, ถาคตเองเพราะนั้นเราจะพบว่า เมื่อมันพูดกันคนละมุมพูดกันคนละมุมเรอพูดคนละแง่แล้วก็หาจุดบรรจบไม่ได้เพราะว่าแต่ควายต่างต่างควายต่างก็ต้องการชนะเมื่อต่างควายต่างต้อการจะชนะแล้วนี่แพะะกก้ก็ไม่ยอมอะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเ ว, เวลาจะเทศจะสอนที่เคยยกตัวอย่างพรูเจ้ามีวิธีเทศสี่วิธีนะฮะเราจะเห็นว่า ต้องดูพื้นฐานมันได้ประโยชน์ผู้ฟังได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่พูดไม่เทศแล้วเมือรรมม่อฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมอันใดก็ตามก็ให้ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาข้อความของธรรมะเหล่านั้น ก็เป็นพระอวาทที่ทรงประทานคล้ายๆกับเฉพาะตัวเฉพาตัวพระมกคัลละพระมคัลลาถามโดยสรุปถามโดยสรุปว่าด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ทั้งหมดนะฮะเบียดเสร็จในศาสนาพุทธเนี่ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ที่บุคคลชื่อว่าประสบความสําเร็จสำนวนแปลกนะความสําเร็จล่วงส่วนมีความกเกษม จากโยคะล่วงส่วนเรียกว่าเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพูดง่า ย, ยางั้นนั่นนะครับคาล่วงส่วนนั้นหมายความว่าเป็นอย่า ง, ง น, นางงั้นตลอดไปเป็นอย่างนั้นตลอดไปเช่นเช่นอะไรเช่นว่าคนมีเมตตาเนี่ยหมายความก็มีเมตตาตลอดมีปัญญาก็มีปัญญาตลอดแต่นี้ท่านท่านไปพูดจุดสูงสุด คือความสำเร็จแต่แก่การบรรลุพระผลนิพพานนะถามตรงถูกเพราะท่านเป็นโสดาบันนะนะท่านเป็นรโสดาบันพระเจ้ารับสั่งเนใจความว่าภิกษุหรือบุคคลเมื่อได้ฟังธรรมว่าสิ่งทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นหรือมัน่นแล้วปฏิบัติถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นลงไปได้ไม่ติด ไม่ติดอยู่ในเวทนาทั้งหลายนะไม่ติดอยู่ในเวทนาทั้งหลายก็คลายความกําหนัดนะคลายความออยึดติดแล้วก็บรรลุความดับสละกิเลสออกไปได้ชื่อว่าเป็นความสําเร็จล่วงส่วนหรือพ้นจากพ้นจากกิเลสลงส่วนจํานวนบาลีนิดหน่อยนะเดีจะไป เคยชี้แจงแต่เมื่อเมื่อเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็จบลงไทยพระสูตรกระไรพระสูตรทั้งหลายที่ที่เคยพูดนะพวกธรรมจักพวกอนัตอาจิตเนี่ยก็จบแนวเดียวกันก็มาสรุปที่คำตรงนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสออกมาเน้นบ่อยๆนะฮะตะเบ ธ, ธรรมานารังปเป็นิเวสายะคือทําน้ําปวงบุคคลไม่ควยึดมั่นถึกมัน่ปนปัญหานที่เราจะต้องถามว่าทําน้ําปวงคืออะไรทำน้ำพวงที่ว่านี่คืออะไร ในวารีท่านก็แยกเดแกัขันธาตุอาญ า, น า, าตนาการธาตญาตนาพูดง่ายๆว่าคือคือชีวิตคือชีวิตร่างกายของเรานั่นเองแยกพูดก็ได้นะฮะรวมพูดทั้งตัวเป็นขันธาไปเลยก็ได้เป็นพวกอารมณ์ของวิปัสสนาที่ทรงสอนให้มองในแง่ของความจรงิงความจริงที่แท้จริงแล้ว มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจที่เราไปยึดติดเอาก็ไปตรงกับหลักนี้ฮะหลักหลกหลักที่เราสวดตอนธรรมวนะัชเช้าสังกิตเตนะปัญจุปทานนะันธาทุกขามื่อกล่าวโดยสุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหนะ้านั่นเองเป็นความทุกข์ยึดมั่นว่าอย่างไงยึดยึดมั่นตามปกติจะพูดอยู่สองกลุ่มของธรรมะ ในเวลาเรียกอุปาทานเนี่ยเรียกอุปาทานเนี่ยแปลยึดมั่นถือมั่นนี่ยนะฮมันจะพูดถึงกิเลสสี่ประเภทแต่เวลาเวลาเวลาอธิบายส่วนใหญ่ในประโยคจะอธิบายเพียงสามจะเรียกชื่อต่างกันเรียกกาหะเรียกกาหะแปลว่าความยึดถือนะฮะโดยเนื้อหาเดิมเหมือนกันแต่ว่า วิธีสื่อสารวิธีวิธีพูดเจะให้เกิดความเข้าใจมันก็อยู่ที่คนฟังก็มีพื้นฐานยังไงผู้หญิงก็จะใช้จะใช้ชื่อสิ่งเหล น, น, นั้นจะเห็นว่ามันมีชื่อแช่มีชื่อโอคะมีชื่อโยคะมีชื่ออะไรแต่ละยุ่ยะเป็นชื่อธรรมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชื่อกิเลสบ้างเป็นชื่อคนธรรมะบ้างชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม กิเลสมันเป็นนามนธรรมนะฮะธรรมะเองก็เป็นนามนธรรมควาจริงก็ไม่มีชื่อเลยซะไปเราก็ตั้งชื่อให้เขานะฮะตั้งชื่อให้เขาพระเจ้าก็ตั้งชื่อเรียกชื่อเรียกชื่อเพืเ่อจะให้เกิดความใจไอ้สิ่งที่นำมาเรียกมันก็กลายเป็นรูปธรรมเพืเ่อทํำให้าาชาวบ้านก็รู้จักอยู่รู้จักอยู่ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยคืออะไรอาสวะคืออะไรกรันทะคืออะไรโยคะคืออะไรสมัคคนฟังตรงนั้นเขาเข้าใจ ค น, นึกออกภาพมันเป็นยังไงหมายความว่าใช้พจน์เนี่ยใช้ภาษามาสร้างภาพภาพนั้นเป็นประสบการณ์ตรงชาวบ้านก็มีแล้วอาสวะชาวบ้านก็มีแล้วอาสวะโยคะกะันทะสังโยน์อนุสัยเนี่ยผ่านเป็นภาษาชาวบ้านก็รู้แท้แม้แต่นิพานเองนะเป็นภาษาที่ชาวบ้านตรงนั้นนั่นนะฮะชาวบ้านในสมัยนั้นเขาเข้าใจแล้วเพราะงั้นก็เรียกยักย้ายไป แต่โดยโดยสรุปแล้วก็คือจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันโดยความรู้สึกว่าขันนั้นเป็นของเราหรือสิ่งเดลยานั้นเป็นของเราแต่ในในที่นี้เป็นเป็นที่น่าสังเกตว่าทรงเน้นที่ตัวเวทนาภาษาดิบุตรที่เคยเล่าเรื่องเรื่องประวัติภาษาดิบุตรในความภาษาดิบุตรเองก็เน้นที่เวทนาเวทนาที่เราไปมีความรู้สึกว่าเวทนานั้นเป็นของเรา หรือรามีเวทนาหรือเวทนามีอยู่ในเราหรือเราเป็นตัวสวยเวทนาแล้วก็ปรารถนาตัวความสุขความสุขน้านต่างๆเราเชื่ว่าจิตรามก็ดินไปหาความสุขระดับต่างๆแม้แต่นิพานเองก็เป็นเวทนานะคับเป็ น, เ ป, นเป็นสุขเหมือนกันเป็นสุขเวทนาเหมือนกันแต่พอดีมันมันเขาเรียกว่าเป็นสุขที่เจือในผ่านเป็นนิรามิสสุขเท่านั้นวัน เอาข้าจิงเนี่ยตุเบทนาเองก็ไม่ขวรยึดมั่นถือมัน่นมันจะมีลักษณะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นญาณภาณนะเป็นญาณภาณะสําหรับอาศัยเดินทางเปลี่ยนกันไปหลายทอดนะฮะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกในจุดหนึ่งสอนให้อา ศ, าศาัยในจุดหนึ่งสอนให้จิงนะเห็นไหมฮะค้าๆก็เราไปทัวร์เนี่ยไปทัวร์ในจุดหนึ่งเราก็ต้อง อ, อา ศ, าศาัย นั่งแท็กซี่ไปขึ้นรถเมย์แท็กซี่ก็อาศัยไปก่อนไปถึงรถเมย์ก็ต้องลงจากรถเมย์ไม่ใช่ต้องต้องลงจากแท็กซี่ไปขึ้นรถเมย์จากรถเมย์ไปต่อรถไฟต้องอาศัยรถเมย์ไปก่อนไปถึงจุดหนึ่งไปถึงสถานีรถไฟต้องลงจากรถเมย์เพื่อไปขึ้นรถไฟไปรถไฟระยะหนึ่งลงจากรถไฟอีกเพื่อไปขึ้นรถอะไรต่อไปเรยจนกว่าจะถึงพวกนี้จึงใช้อาศัยตอนหนึ่ง ถ้าอาศัยตอนหนึ่งแล้วก็ใช้ทิ้งในตอนหนึ่งนะต้องทิ้งต้องทิ้งที่บางทีในสมัยวุฒิการอุปมาเหมือนแพรเหมือนแพทํรสมัยนั้นมันแพรนะแพรข้ามข้ามคว้าข้ า, ขาอะไรเนี่ยอุปมาเหมือนกับแพ่เป็นที่อิงอาศัยให้เราลองสังเกตว่าพรธรรมเทศนาเป็นไต่บันไดลอดด่อโดยสุขแต่ให้ทิ้งสุขเห็นไหมลอดด่อโดยสุขแต่ให้ทิ้งสุขไปเรื่อยๆล่อโดยสุขแตทิ้งสุขล่อโดยสุขทิ้งสุข จนถึงสุขสมบูรณ์ที่ไม่เจอเือโดยกิเลสธรรมเทศนาเช่นเช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างอนุบุปิกถาหรือว่าแม้แต่สินทานสินภาวนาก็เถอะทานศินภาวนานะมันก็พูดถึงทานระดับผลออกมาเป็นสุขระดับอย่างนั้นนะสุขระดับปัจจุบันสุขในแง่ของสังคมสุขที่มีพักพวกได้รับการยกยนะ่องนับถือสุขบังเกิดในสวรรก็สุขไปเรื่อย แต่เสร็จแล้วมันก็สอนในทิ้งสุขตรงนั้นสุขยังเกี่ยวเกาะโดยภพ ก, ก็วาบไปเรื่อยๆจนสุขระดับะ ร, ระดับมนุษย์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆพรหมชั้นต่างๆนิพพานชั้นต่างๆมีเวทนาอย่นั้นมีมีการสวยสุขนั้นแต่ว่าให้พยายามทิ้งสุขไปเรื่อยๆพยายามปฏิบัติให้ได้สุขตรงนั้นแล้วต่อไปก็ทิ้ง ปฏิบัติต่อไ ป, อไปอก็กลการเรียนหนังสือใกล้ไรนะฮะมันมันมีลักษณะเหมือนบันไดบันไดยเยียบแก่แต่ก็ต้องทิ้งนะเหยียบไปแล้วก็ต้องทิ้งเหยียบแล้วก็ต้องทิ้งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางวันคำสอนในแนวนี้ก็คือสอนให้บุคคลพยายามศึกษาให้ให้ทราบถึงความเป็นจริงของสิ่งโดดนั้นเพราะความจริงนี้แท้จริงเป็นยังไง แล้วก็พยายามจะหาประโยชน์จากมัน ท, ทั้งช่วงที่อิงอาศัยนะฮะและทั้งช่วงที่จะต้องปล่อยจะต้องละจะต้องวางให้เราลองสังเกตว่าแนวทั้งหมดที่ส่งสริมันก็สอนอยู่แนเนี้ยอย่างน้อยที่สุดกค็คือการปรับใจรู้เท่าทันเรื่องความจริงของมันของสังขารทั้งหลายมันเป็นกระบวนอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งเราเองก็ต้องเป็นอย่างเงี้ย เพื่อจะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจทีดีพิไรรำพันต่างๆตามพวกปะกินนกักทุกทั้งหลายที่เราสวดนะฮะับ่สวดสาธยายกันก็พูดถึงขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาตัญญาตังขันวิญญาณนะเราลองสังเกตว่าพวกนี้จะมีวิธีสอนแยกเพราะว่า ที่เรายึดยึดอยู่นี่ก็ยึดที่ตัวเราอะนะะตัวเรานี่ให้ให้ลองสังเกตว่ามันเป็นที่ตั้งของทั้งหมดที่จริงมันมาจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่มีอะไรนะแต่พอรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นเป็นตนแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราได้รู้สึกเรามีรู้สึกว่าเราเป็น รู้สึกเราเป็นยางังนงนัางงานเป็นสารพัดแล้วก็ดิ้นรนเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นไปเรื่อยๆได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็พยายามที่จะป้องกัน ร, รักษาและพยายามจะเป็นต่อไปเรื่อยๆโดยแรงผลักดันของอยกิเลสทั้งหลายนะฮะนั้นปัญหาต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในสังคมก็เกิดขึ้นจากใจจากใจที่ไปยึดมั้นถือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แล้วจนถึงก็มีการทะเลาะมีกวรมีวาดมีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายกันจนบางทีต้องต้องเพิ่มบาปขึ้นมานะเพื่อตัวเองได้ตัวเอ ง, เองมีตัวเองเ็งยังนึกถึงถึงคนคนหนึ่งที่แกระลึกชาติได้นะฮะแกระลึกชาติได้ที่ศาสตราจารย์เอียนสีเวนสารจาก มาวิทยาลัยมีชิแกนเดี๋ยวเข้ามาส ม, มุวจเมืองไทยเรามีตั้งหกเ็ดคนเนี่ยนะฮะส ม, มุวจได้แล้วมันแปลกว่ามันมีทุกชาติคนในรืกองชาติได้มีทุกชาติทุกศาสนาทุกส่วนของโลกคนรืกองชาติได้มีทั้งนั้นเดีย๋ยวบันทึกไว้ทั้งหมดสามพันกว่าคนเวลานี้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะได้ขอ้อยติแล้วหกร้อยกว่ารายจะเงินจะตอกไปแยะเมืองไทยเรานี่มี คนคนนี้ที่ที่ชื่อจุกอ่ะเป็นชาวราชบุรีเวลาใครทําอะไรแล้วทําอะไรไม่ดีนะฮะแกบอกว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดอีกแกจะมีอยู่ประโยคเดียวแต่นั้นเองพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแต่แสดงว่าถ้าเราสํานึกสํานึกขนาดนี้นะฮะขนาดนี้ได้ อย่างน้อยที่สุดมันก็งดเว้นบาปบางประการอย่างน้อยก็บาปจยาบๆนะบาปที่เป็นเนอเรโตโรโรคมงคลกดเว้นได้โดยอาศัยความเชื่อเพียงว่าเราก็ตายแล้วต้องเกิดอีกต้องชดใายผลของกรรมแต่ถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้ไอ้ความรุนแรงต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยความอะไรโดยความไปยึดถือว่าต้องฉันต้องเราต้องพวกเรานะต้องๆ อ, อย่างเนี้ย แล้วก็มีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายกันเมื่อวานนี้ก็าามีคนเข้ามาส อ, สอวันมีคนเข้ามามาหามาคุยเยอะพวกนักวิการอะไรเนี่นยกนะ็ประรดฟังเรื่องต่างกันอะไรเรื่องไงนะเรื่องศาสนาเรื่องอะไรตัวไหเนี่ยคือเราเรามองอย่างนะว่า ทำไม่เตอะทำดียังไงมันไม่มีคนก็ว่าดีหมดหรอกอย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้คนไทยเราคติไทยเราคงก็มีนะฮะอานินทาการเลมันเทน้ําไม่ชอบช้ำอมมีดไม่กรีดถินนี่ไแม่องค์พระปติมาอย่างราคินก็นเดินดินจะพ้นคนอินทานแต่เราไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้เกินไปแทนที่จะจับก็หาความถูกต้องเพอถูกต้องมีกฎมีเ ก, กณฑ์ก็ไปเถอะทำไม่เตอะอย่าไปไปเดือดร้อนกับคนเลย ให้คนชอบทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ให้คนชอบทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆคนเองเนี่ยมีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องตรงนั้นแตกต่างกันสังคมมันก็มีคนรักถ้าฝืนหนังคนจางถ้าฝืนเสือโบราณนั้นสอนไวด้ดีๆนะะโบราณนั้นสอนนันดะีว่าคนขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนด่ามีคนว่ามีคนเบียดเบียนมันจะอาอะไรเอะไรก็นเราเพราะงั<ๆ>้นก<ๆ>็ก็ให้จับที่หลักการ แต่ถ้าแกว่งไปตามเสียงเสียงเรียกร้องของกลุ่มคนทั้งหลายนะแล้วไม่ต้องทําอะไรนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพราะงั้นสรุปว่าสิ่งทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมัน่นหรือมันมันมันจึงใช้ได้ในกรณีทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าเป็นการสอนในใช้ปัญญานะฮะเป็นการสอนในใช้ปัญญามันไม่จะถึงก็ไม่ยึดมัน่นทั้งไม่ยึดมั่นทั้งหมดแต่ว่า ในแง่ของสมมติที่สัจจะเราก็ต้องต้องยอมรับถึงความเป็นตัวเป็นตนความมีความมีตัวมีตนอะไรแต่นนะฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปรับใจยอมรับว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะได้ลาบก็ต้องยอมรับว่ามีลาบนะแต่ก็ต้องนึกว่าเสื่อมลาบด้วยเสื่อมลาบก็ต้องทําใจนะฮะว่ามันมันมั น, ม, นมันก็คู่กันนะมีลาบแล้วก็ต้องเสื่อมลาบถ้าไม่มีลาบมันก็ไม่รู้จะเอาลาบอะไรมาเสื่อม มันก็เสื่อมยศ อ, อ่ะเราไม่มียศมันก็ไม่ไ ม, ไม่มียศให้เสื่อมเพราะงั้นถ้าทำใจได้ใจเราก็จะไม่อ่อนไหวจะไม่เดือดร้อนไปเพอเรื่องตั น, นั้นเป็นการสอนในแนวที่วิปัสสนาเพราะว่าเป็นการสอนพระมุขลานะนะครับแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าสิ่งที่ สิ่งที่พระโมคคัลลานะท่านถามเป็นการถามข้อปฏิบัติที่สูงสุดหมายความว่าให้เราเป็นอย่างนั้นตลอดไปใช้คมาล่วงส่วนร่วงส่วนร่วงส่วนทั้งหมดเช่นว่าเป็นสะพรมจารีร่วงส่วนหมายความว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้นตลอดเป็นเป็นเป็นผู้มีเมตตาล่วงส่วนหมายความว่า ภายในใจไม่มีความอาคตาดพยาบาทูไม่มีความเบียนเพียอยู่มันก็ใช้ทุกระดับก็มาล่วงส่วนคือคือโรคเป็นในระดับต่างๆโดยมีจุดสูงสุดของเขาถ้าเขามาสรุปด้วยคำสั้นๆว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นหมายความว่าเป็นการสอนในศึกษาเรียนรู้ถึงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับใจให้ได้ในแต่ละขณะ ก, ก็เกิดตายก็ตา ย, ตา ย, ตายดับก็ดับนะได้ก็ได้แต่ก็รู้ว่าสิ่งเดล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงหมายความว่าอย่ามองเท่าที่มันปรากฏนะฮะอย่ามองเท่าที่มันปรากฏแต่ก็มองถึงจุดอื่นด้วยอย่างนี้อย่างอย่างไปประชุมกันเรื่องเรื่องจัดหลักสูตร จะสอนสอนครูให้เป็นสอนจะได้ศึกษานะฮะผูกันเยอะนั่งอภิปรายกันเสร็จ แ, แล้วก็จะขอมาสรุปออกมาก็ไม่อยากสรุปเพราะมังฟังแล้วมันเป็นวิมานทายอลไรเกินมันพูดเป็นวิมานทายอลไรเกินเราก็ไม่อยากจะพูดอะ่ะบอกว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ที่เราแต่ปัญหาจริงๆมันต้องมีนโยบาย เพราะอะไรเพราะว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินน่ะมันต้องเกิดขึ้นในนโยบายแห่งรัฐจึงสามารถทำได้เพราะงานเหล่านี้มันจะต้องมีงานมีคนทำงานและมีงบประมาณมันจะต้องเกิดขึ้นมาจากนโยบายอะแล้ววันเงินมันไม่ใช่บาทสองบาทเงินเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านะนะฮะอัตรากำลังถึงสี่หมื่นอัตรานะ รูสอนศีลธรรม4ี่มื่นอัตราเนี่ยใช้เวลาผลิตคนละสี่ปี4ีปีลงนึกดูว่ากี่ปีห้าสิบปีไม่เสร็จห้าสิบปียังไม่ได้ถึสี่หมื่นอัตราเลยมันขึ้นมันปลูกพันกับงบประมาณปลูกพันกับเงื่อนไขอะไรๆเยอะเลยเนี่ยคือเราไม่นึกเราเราเราพูดเฉพาะจุดแต่เราไม่นึกไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังมีอะไรอีกเยอะเลยกว่าจะเป็นไปได้เนี่ยดังนั้นสิ่งทั้งหลายจึงไม่ ไม่ใช่พูดเฉพาะสิ่งที่ปรากฏมันเครียวกว่าสิ่งต่างๆเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยพระเจ้าก็มองว่ามันไม่มีเท่านั้นหรอกมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ด้วยให้มองสาวไปถึงเหตุปัจจัยก่อนที่จะมาเป็นสิ่งนั้นคล้ายๆขันห้าจะ ท, ทรงสอนมองว่าขันห้าเหตุเกิดของขันห้าความตอบของขันห้าขันห้านั้นเป็นสิ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยว่าแต่เหตุเกิดของขันห้ามันมาจากอดีต สาวไปเลยสาวไปในแง่ศีลธรรมสาวไปในแง่ของสภาวธรรมสาวไปในแง่ของสังสารวัร ก, ก็แล้วแต่จะสาวสาวขนาดไหนสาวในแง่ศีลธรรมมันก็เกิดปัญหาทางศีลธรรมเห็นไหมฮะสาวไปขนาดนี้สาวเราเป็นใครเรามาจากไหนเรานั่นก็พ่อแม่เราก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็เกิดปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลธรรม สาวอดีตได้ๆนะสาวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ได้หลักทางจินธรรมสาวในแง่ของสังสารวัตรว่าก่อนหน้านี้เราเป็นอะไรมาเราก็เห็นว่าสังสารวัตรเป็นเรื่องของกระแสของบุญของบาปที่ทัดผ่านคนมัมีลักษณะของการหมุนบนแต่ว่าในตลอดถึงสังสารวัตโดยชวงนั้นก็มีการเกิดดับก็เรามองเห็นตุวสภาประทง สภาวะมจริงๆมันก็เกิดดับเกิดดับมาเรืกก่อยๆตายมามาเรื่องๆกี่ครั้งแล้วมันจะตายอีกสักชาติก็มันจะแปลกอะไรเพราะต่อไปมันก็ตายอีกกันแหละก็โราเห็นโรเกิดดับเกิดดับเราตายเกิดตายเกิด ต, ต, ตายมาในสองสารวัตรยาวลเลยจนกลาเป็นสภาวะธรรมกลายเป็นสภาวะธรรมที่เคยเล่าถึงนางอุปภรีพระนางอุปภรีที่ท่านไปร้องไห้อยู่ไปสวามีที่วงคตแล้วท่านร้องไห้ วิญญารับสั่งถามว่าเธอร้องไห้ถึงสามีองค์ใดเพราะจริงๆแล้วคนคนเนี้ยคนที่ตายไปนี่ยเคยเป็นสามีเธอมาตั้งเป็นหมื่นๆชาติแล้วเธอก็เคยร้องไห้ตรงเนี้ยมาตลอดภบชาติยาวนานน่ยถ้าเทียบน้ําตาของเธอที่ร้องไห้เพราะสามีคนนี้ตายคนเดียวนะตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตาแล้วมันมากกว่าน้ํำในมหาสมุทระอีก เธอร้องให้เพื่อสามีคนไหนกันตอบไม่ถูกกับมันมันโยอะเลือเกิดเนี่ยไอ้นี่คือคือเราจะเห็นว่าตกลงว่าการมองสาวเนี่ยรูปการเกิดวามรูปนะความดับของรูปเห็นไรูปมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นสิ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่รูปนั้นมันเป็นกระบวนการในแง่ของความเป็นชีวิตมันก็มา ทรงสงสารว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเอาแค่นี้เป็นเรื่องของศีลธรรมจัน ญ, ญาทำหน้าที่ของลูกที่ดีมีความสำนึกกระตัญญูกะตวเวชีนี่ปู่ย่าตายายเราไม่มีพ่อแม่เราถ้าไม่มีพ่อแม่ท่านก็เกิดมาไม่ได้เราก็นับถือปู่ย่าตายายเอาปู่ย่าตายายเองถ้าไม่มี ท, ทวดญาทวดก็เกิดมาไม่ได้เราก็นับถือบรรพชนไปเรืยยย่อยๆอันนี้คือมองในแง่ของศีลธรรมเราก็ได้หลักทางศีลธรรม มองในแง่ของสังสารวัฏเราก็เห็นกระบวนการของกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างพระสู่ชาด ก, กะอะไรต่ออะไรต่างๆางในวิจารณ์เราเราก็เห็นกระบวนการของกรร ม, พมเพราะนำชีวิตถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงไปมองในแง่สภาวธรรมเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายมาตลอดเลยตายไม่รู้สักเท่าไร่แล้วเกิดก็ไม่รู้สักเท่าไร่แล้วตายก็ไม่รู้เท่าไรแล้วเจ็บก็ไม่รู้เท่าไรแล้วแก่ทุกชาติเลย แกอเมริก็เห็นว่าเป็นตัวสภาวธรรมเป็นสะบบเป็นสภาวธรรมที่ต้องเป็นเข้ามาอย่างนี้ตลอดอนาคตเห็นไหมฮะอนาคตก็ดับอีกรูปความเกิดของรูปความดับของรูปความเกิดมันย้อนอดีตไปเรื่อยๆความดับเป็นอนาคตตลงว่าแทนแท น, นที่จะดูรูปเฉพาะปัจจุบันไม่จะดูเฉพาะปัจจุบันเพราะจริงรูปมันเป็นผิดผลจากอาดีต และรูปจะต่อไปในอนาคตรูปจะเป็นเชื่อมกับการทั้งส ม, มีอดีตของมันยาวไกลมากมากอนาคตก็ไม่รู้เท่าไหร่ปัจจุบันสั้นนิดเดียวแต่เราเห็นว่าปัจจุบันเรายึดโอจังเรายึดโอจังใใคล้ายๆกับเราอยู่คํำว้าเรายิ่งหยอยเราอะไรท่ออะไรเราที่จริงเราอยู่นิดเดียเองเป็นระยะสั้นๆเป็นระยะสั้นๆเราเทียกับชีวิตเราเทียวกับสัตว์อื่นเที่ยกับเต่าเที่ยกับช้างเราก็ เด็กมากสัตว์เยอะเท่ากัแก่ ก, กว่าเราต้นไม้ภูเขาอะไรอะไรแก่ ก, กว่าเราเยอะนี่ก็คือคือมองให้เห็นว่าเอาข็จริงมันไม่มีไรนะ่ายึดมั่นถือมันแต่ว่าเป็นเราเราเมื่อก่อนก็เป็นใครก็ยังไม่รู้เลยต่อไปจะเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้ เ, เราจะยึดถือเป็นเป็นเราได้อย่างไรแต่ลงจริงๆความเป็นเรามันก็ไม่มีจริง ความเป็นของเรายิ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะความเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็อยู่ที่เรายึดเอานะถ้าเรายึดเอามันก็เป็นตัวเป็นตนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหามากขึ้นเพราะงั้นคําสอนตรงนี้จึงเป็นการสอนโดยสรุปนะสรุปว่าจริงทำทั้งปวงบุคูลไม่ควร ย, ยึดมันถือมันแล้วก็นอก ต, อต่อจากนั้นเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ เขาส่งสอนว่ากเกษมจากโยคะล่วงส่วนหมายความว่าใจจะไม่มีกิเลสคําว่าเกษมเกเสมอะไรล่ะมังกลสูตรอโสกังวิรชังเขมังตอนตอนสุดท้ายนะฮะภายในใ จ, ใจท่านจะไม่มีกิเลสเป็นการดับเป็นการเบื่อหน่ายคลายขณะคือจจังไปคลายไปของกิเลสทั้งหลายประเด็นที่ที่หน้าหน้ามอง อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติการปฏิวั ต, บติบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอิงอาศัยอิงอาศัยคนอืน่นเห็นไหมคนขนาดพระโมคคลลานะเองต้องอาศัยพระพุทธเจ้าภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรไม่เหมือนพระโมคคัลลนะภาษาดิบุตรนั้นอาศัยฟังจากคนอื่นถ้านั่งถวายงานพัด พระพุทธเจ้าอยู่ทั น, น, นทีคณะเกวศนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นหลานพระสัิบุตรนะฮะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วปัญหาลักษณะเราเห็นชัดเลยว่าต้องการด่ากระทบพระพุทธเจ้าไม่กล้าดา่าโดยตรงนะฮะแต่ด่ากระทบนี่ชัดมากพระุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่อ ง, เ ร, อง เ, เรื่องเวทนาเหมือนกันเวทนาเหมือนกันคือการสวยอารมณ์อย่าไปยึดมัน่นหรือมั่นใน จริงเหลนี้พอมาถึงโลกกาลนาก็อีกก็มาสอนเรื่องอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเวทนาเป็นธรรมะที่เรียกว่าอนุโลมอนุโลมตามพื้นเพ จ, จริตอัธยาศัยแล้วก็สอดรับกันนิสัยของท่านนะฮะสอดรับก น, นิสัยของท่านคือท่านไม่ติดอยู่ในสุขในสุขครองเรือนในสุขจากการดูมารสนบในสุขจากสำนักของสันใจปริาวาโชคเขมาท่านนั่นปล่อยมาเร เพราะงั้นเป็นการเสริมอะไรละ่ะถ้าวิธีการสอนเขาเรียกว่าบูรณาการบูรณาการเลยเสริมเติมเต็มจำนวนกระทรวงศึกษาธิการก็มีจำนวนใหม่เขาเลย ก, ก็เป็นการเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีอยู่แล้วให้พุ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นที่เน้น ทึ่งๆ ซ, ซึ่งเราเราไม่ค่อยพบประเด็นนี้นะยิถามมาทําไมทําไมต้องมาเด้นกับกับพระโมคกัาลานะเรื่องคล้อยคำเป็นเหตุทุ่มเฉียงกันเราต้องนึกว่าพระโมคคัาลานะนั้นท่านท่านท่านเป็นแม่ทัพนะท่านก็เรียกฝ่ายบูเลยแหละฝ่ายบูเลยทํางานหนักลุยแหลกเลยงานตนัวไหนศึกหนักตัวไห น, ร น, น, ราา น, น, นพระโมคคัาลานะทั้งนั้นพระโมคคัลลานะทั้งนั้น ใช้อิทธิฤทธิ์ทางานนะแล้วก็ปราบพวกรุนแรงทั้งหลายพวกรุนแรงทั้งหลายพระมกขกัลลานาทั้งนั้นเลยเพราะงั้นจึงสอนเตือนเอาไว้สอนเตือนเอาไว้ตอนนั้นแต่ว่าตอนเป็นพระหันแล้วไม่ต้องสอนด้านนะั้นนะฮะว่าตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระหรันเพราะว่าการการกา ร, การทะเลาะวิวาทการทุ่มเฉียงการหักล้างกัน ถ้าเราไม่ไม่หาข้อยุติเสียก่อนไม่ตกลงกันก่อนมันหาจุดจบไม่ได้ดังนั้นแนวที่พระนาคเกษท่านเถียงกับพระยามมลินพระนาคเกษขอขอกติกานะฮะู้กันอย่างบัณฑิตนะผู้กันอย่างบัณฑิตถนะู ก, กคือถูกผิดคือผิดถ้าผู้กันอย่างผ่านเอาไม่ได้ต้องสัญญากันก่อนถ้าจะคุยกันต้องคุยอย่างจรง บันดิตกันถ้าคุยยังผ่านไม่คุยด้วย mm hmm. ก็เรียกว่าพา mm hmm. มสนทิสัญญากันก่อนแล้วพระยามมรินท่านก็ยอมยอมก็คุยกันง่ายนะฮะแต่ถ้าเราอ่านลองลองลอ ง, ลองสังเกตพระยาเมรินท่านก็พยายามถามอธิบายเราว่ามันน่าจะเข้าใจแล้วยังไม่เข้าใจะพระนากเกษตรก็ต้องอุปมายกตัวอย่างเทียบเคียงอธิบายจนเข้าใจแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นในสุดก็ยอมเพราะประสูตรนี้จึง นอกจากจะเป็นการสอนธรรมะเพื่อปฏิบัติพัฒนาสมบพระโมคคัลลานะแล้วเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธสาวกว่าเป็นพุทธสาวกที่จะต้องไม่อะไรอนุปวาโดนุปกาโตในโอวาตปฏิโบกนะไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายไม่ต้องไปถูกเฉียงอะไรกันนะฮะอยากเฉียงก็ปล่อยก็เฉียงไป ท้าไม่พูดเป็นอย่างบิดิบก็ไม่ต้องพูดกันนะนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองพระมกขลานะพระเจ้าเทศเสร็จก็ก็อันตรทานไปอะกอันตรธานไปอีกก็แสดงว่าจะกลับไปโน้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ได้บอกไว้นะฮะพระมกขลานะก็นั่งตรงนั้นเองกบำเพ็ญเพียรต่อแล้วก็บรรลุมรผลบรรลุมรผลเป็นพระขันธ ก็หลังจากปวดแล้วได้เจ็ดวันหมายความว่าบรรลุมาผลก่อนพระทาติบุตรเจ็ดวันนะฮะสองว์นี้แปลกนะฮะนี้ผ่านห่างกันคนละสิบห้าวันบรรลุอรหัตห่างกันคนละเจ็ดวันออกบวชพร้อมกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานมาด้วยกันแล้วก็เวลาบรรลุมกผลปรากฏว่าคนฉลาดมากที่สุดบรรลุหลังสุด เขาก็มีตั้งปัญหาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมภาษาริบุตรี่มือขนาดนี้ทําไมบรรลุผลช้าท่านบอกว่ามันเหมือนกับกระบวนเสด็จของพระราชากับสามัญชนเ น, นีย่ยนะครไปไหนพระราชาเตรียมการเยอะเลยภาษาดิบุตรท่านตื่นเต้นท่านตื่นเต้นกับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบางครั้งก็คิดเพลินนะคิดเพ ล, นเพ ล, นเพลินคิดจนฟุ้งอ่ะคิดจนเพินไปเรื่อยเลย ใหญไม่สุงเพราะมกกลานาเองท่านก็เพลิดท่านก็เพลิดกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่นึกว่าจ ะ, จะจะจะมาเจอการการแสดงธรรมลักษณะนี้คําสอนในลักษณะนี้ขึ้นถึงซึ่งในชีวิตขอท่านท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ามันก็มีการตื่นเต้นตื่นเต้นก็เกิดเป็นปีติปราโมทย์ขึ้นมา รมมเทศนาสูตรนี้จึงเป็นสูตรหลักเป็นสูตรหลักที่มีระบบนะฮะมีมีหัวข้อมีการขยายความมีการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายก็จบจบแนวเดียวกันนะฮะจบจ บ, จ บ, จบแนวเดียวกันว่าเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนหน่าย นะย่อมคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นพ้นจากอำนาจของขอ ง, ของกิเลสเนี่ยเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นภายในใจว่าเราหลุดพ้นแล้วแล้วก็รู้สถานภาพของตัวเองว่ากิจที่ควรจะทําเกี่ยวกับการละกิเลสเกี่ยวกับการเดากิเลสทั้งหมดแล้วและกิจอื่นในทํานองเดียวกันกิจกิจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองจบคือหมายความถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ก็มีภารกิจที่จะต้องทำต่อคนอื่นแต่ภารกิจปฏิบัติพัฒนาตัวเองก็จบแล้วนี่ก็เป็นเป็นประวัติของพระอักสาวกผู้ใหญ่นะที่มีบทบาททำงานเคียงคู่เหมือนกับแขนของพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าหกเดือนพอดีรพระอาจานิพพานตอนเดือนเดือนห กลางเดือนนะครัพระโมกขลานะนิพพานตอนเดือนสิบสองสองกลางเดือนก็ตอนท่านนิพพานพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเหมือนกับแขนขาดสาธุบุตรนิพพานพระโมกขลานะนิพพานพุทธเจ้ารับสั่งเหมือนกับแขนขา ด, าาาาดาเอ่อขขถ้าท่านอยู่นะฮะถ้าท่านอยู่หลังพุทเจ้านิพพานโฉบหน้าพรสานะจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปจากนี้อาจจะมีรูปสืบสารมาแบบภสันตะรประปาอะไรก็ได้นะครับแต่พอดีมันก็ดีไปอีกแบบนึ่งคือทำให้ได้จับหลักประธรรมปิเัยเป็นหลักสมหรับวันนี้ก็ขออยู่ติดไว้ใยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่ ก, กันทุกท่านเีอ